ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องจะหวังอะไรกุหกะชาดกโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่สี่พฤษภาคม2546ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ วันนี้เนี่ยจะมีชาดกเรื่องว่าจะหวังอะไรชื่อว่ากุหกะชาดกลองฟังดูนะเรื่องนี้ เ, เริ่มที่ในอดีตการมีชดินผู้หนึ่งชดินนี่คือนักบวชประเภทหนึ่งนะในอินเดียเขานะเราเรียกว่าพวกชดินอาศัยอยู่ในหมู่บ้านตำบลหนึ่ง เป็นที่เคารพศรัทธาของกุดุมพีคนหนึ่งในที่นั้นก็ทั้งช่วยสร้างสาราในป่าให้กับชดินเป็น <c oughs> เป็นที่พักอาศัยอย่างดีและมักนิมนต์ไปปรนนิบัติด้วยอาหารอันประนีตในเรือนของตนสม่ำเสมอกุดุมพีเชื่อมั่นในฉดินนั้นว่าเป็นผู้มีศีลสูงอยู่ในฐานะอันทรงเกียรติจึงวางใจ ที่จะนำเอาทองคำหนึ่งรแท่งไปฝากฝังดินไว้ที่ข้างศาลาของฉดินนั้นเพื่อความปลอดภัยของตนเพราะมีข่าวว่าโจรจะมาปล้นข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าเป็นที่หวังเป็นที่พึ่งพิงของกระผมโปรดช่วยดูแลทองที่ฝังไว้นี้แก่กระผมเป็นอย่างดีด้วยอย่าให้สูญหายไปที่ไหนเสีย ไปฝากทองกับชดินคนนี้นะตอนนี้ชดินก็บอกว่าโยมการพูดแบบนี้กับนักบวชช่างไม่สมควรเลยเพราะขึ้นชื่อว่าความโลภในทรัพย์ของผู้อื่นย่อมไม่มีแก่อาตมาหมายความว่าไงถ้าเป็นนักบวชเนี่ยถือว่าต้องสละแล้วใช่ไหมทรัพย์สินเงินทองข้าวของอะไรต่างๆมาบวชเนี่ยก็ต้องมักน้อยต้องสันโดษ พรท่านพอมาฝากเอาทองมาฝากกับนักบวชคนนี้แล้วใช่ไหมพอมาบอกอย่างนี้เออฝากก็ท่านให้ท่านช่วยดูแลนะรักษาความปลอดภัยนะอะไรอย่างๆเนี่ยชดินก็เลยพูดเหมือนอย่างกับว่ า, าพูดอย่างนี้แหมเหมือนกับไม่ค่อยไว้ใจนะเหมือนกับจะดูหมิ่นดูถูกกันนะทั้งทั้งกวนจิงก็อกดุมพีคนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เจตนาอย่างนั้นนะ เพราะว่ามีอยู่คำหนึ่งบอกว่าเนรระวังนะอย่าให้ศูญยหายไปไหนนะพูดคํานี้ออกมาเะดีก็เลยอ่าอย่างนี้บางทีเพอเพอถ้าเกิดหายไปอ่ะมีมิว่านักบวชเนะ่ยเป็นคนเอาไปเลยนะก็เลยนักบวชนี่ก็เลยย้อนไปอันนี้ก็ดุมพีก็เลยบอกว่าดีแล้ครับผมเชื่อถือในถ้อยคําของพระคุณเจ้าแล้วก็ดุมพีก็กราบลาจากไป ฝ่ายชดินก็เกิดความคิดขึ้นว่าทองมากมายเหล่านี้สามารถใช้เลี้ยงชีวิตของเราไปจนจนตายได้เลยทีเดียวพูดง่ายว่าชักชักโลมเหมือนกันนะหลังจากนั้นอีกสองสวันชดินจึงขุดทองขึ้นมาซ่อนไว้ในที่อื่นวันต่อมาเมื่อฉันอาหารที่เรือนของกดุมพีเสร็จแล้วก็กล่าวว่าอาตมาพักอยู่ในที่นี้ อาศัยก้อนข้าวของโยมมาช้านานแล้วความผูกพันย่อมมีก็แต่ว่าความผูกพันเป็นมนทินของนักบวชแม่พูดโกะมากเลยนะ <c oughs> ความผูกพันเป็นมนทินของนักบวชพูดถูกไหมพูดถูกนะ <c oughs> เห็นหัวเลาะเห็นพวกเราฟังแล้วหัวเลาะหัวเลาะอะไรอ่ะ <c oughs> พูดดีมาก <c oughs> อ๋อหัวเลาะเพราะว่าพูดดีมาก ความผูกพันเป็นมนฑินของนักบวชเพราะฉะนั้นอาตมาจะต้องทําการพรากห่างจากโยมไปบ้างสักชั่วคราวแล้วจะกลับมาในภายหลังผูดดีๆทั้งนั้นนะแม้กระดุมพีจะอ้อนวอนสักปานใดชดินก็ยืนยันเช่นเดิมคือกระดุมพีนี่ก็อ้อนวอนขอให้อยู่อย่าไปเลยชดินก็ยืนยันเช่นเดิมในที่สุดกระดุมพีจึงยินยอม แล้วเดินไปส่งชดินจนถึงประตูเรือนของตนชดินเมื่อเดินไปได้สักหน่อยหนึ่งก็คิดอุบายให้กระดุมพีตายใจโดยเอาเส้นหญ้าติดไ ว, ทมวมท้ที่มวยผมของตนแล้วย้อนกลับไปหากระดุมพีนะพอย้อนกลับไปหากระดุมพีเนี่ยคือหาไอเศษอะไรอะเศษหญ้าเนี่ยเอาแก้งให้มาติดอยู่ที่ผมแล้วย้อนกลับไปหากระดุมพีแล้วกล่าวว่าโยม มีเศษหญ้าเส้นหนึ่งล่วงหล่นจากชายคาบ้านของโยมติดผมของอาตมาไปขึ้นชื่อว่าการนำเอาของที่เจ้าของเขาไม่ได้อนุญาตไปนั้นเป็นอาการลักขโมยอันไม่สมควรแก่นักบวชเลยอาตมาจึงรีบนำหญ้าเส้นนี้กลับมาคืนโยมโอ้โหอะไรจะปานชนี้เหลือเกิน แม่แค่หญ้าติดผมไปแค่นี้นะเดี๋ยวหาว่าขาโมยคนนั้นต้องเอาเศษหญ้าเส้นนี้มาคืนกระดุมพีเวอร์ไหมเ <c oughs> วอเกินน่ะนะแต่เจตนาที่ทําอย่างเงี้ยเป้าหมายคืออะไรนะเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายเนี่ยที่ทำอย่างเงี้ยแล้วก็มาบอกกับกระดุมพี เพื่อจะให้กระดุมพีเห็นว่าโอ้โหชั้นนี่ถือศีลเคร่งมากใช่ไหมชั้นนี่นะแม้แต่ของนิดนิ ด, นดหน่อยหน่อยเส้นยาสักเส้นหนึ่งเนี่ยฉั้นยังไม่เอาเลยอถึงขนาดนั้นอย่าว่าแต่ไอ้ทรัพย์สินเงินทองข้าวของอะไรเลยใช่ไหมแหมพอกระดุมพีคนนี้ฟังแล้วก็โอ้พระคุณเจ้าช่างมีศีลศีล ส, สูงส่งยิ่งนักไม่ถือเอาสิ่งของของผู้อื่นแม้เพียงเส้นหยา ทิ้งหญ้าไว้ตรงนี้แหละครับโปรดนิมนต์กลับไปโดยสบายใจเถิดกุดุมพีกราบฉดินแล้วส่งไปด้วยใจอันเลื่อมใสศรัท ธ, ธาในขณะนั้นเองมีชายหนุม่มผู้เฉลียวฉลาดคนหนึ่งบ้านอยู่ที่ชายแดนแต่เพราะต้องการซื้อหาสิ่งของจึงเดินทางรอนแรมมากระทั่งได้อาศัยพักแรมอยู่ในบ้านของกุดุมพีพอดี ก็ได้เห็นได้ฟังคำกล่าวของชดินก็เกิดสะดุดใจสงสัยในพฤติกรรมนั้นว่าชดินผู้นี้คงจะต้องถือเอาอะไรสักอย่างของกระดุมพีนี้ไว้เป็นแน่คนมีสติปัญญาเนี่ยไม่หลงอะ่ะคนที่มีสติปัญญาแล้วก็ไม่หลงอะไรง่ายๆฟังแค่คาพูดแค่เนี้ยเรารู้แล้วว่าเป็นไงเบ่อต้องมีอะไรสักอย่างนะเนี่ยถึงจะทำอย่างเนี้ย นะก็ถึงจะแม่เอาต้องเอาเส้นญ้ามาคืนมันต้องมีอะไรทักอย่างเลยเนี่ยคนฉลาดเนี่ยเขาเขาแค่แค่นี้เขาก็สะดุดใจแล้วเขาก็ฉุกคิดขึ้นมาได้แล้วอันนี้คือคนที่ฉลาดแล้วก็มีความเฉลียวนะวเอ้ยต้องมีอะไรแล้วนะก็จึงเรียบเคียงสอบถามกระดุมพีว่าดูก่อนสหายท่านได้ฝากอะไรไว้กับฉดินนี้หรือไม่ ใช่แล้วสหายเราฝากทองฝังไว้กับนักบวชผู้ทรงศีลนี้จริงหรือนี่ถ้าเช่นนั้นท่านจงรีบไปตรวจ ด, ดูทองนั้นเสียเถิดบอกเลยบอกโอ้ถ้าท่านฝากไว้ที่ท่านรีบไปไปดูสิท่านไปเอาทองนี้ไปไว้ที่ตรงไหนกุ ด, ดุมพีแม้จะวางใจในชดินอย่างยิ่งแต่ก็อดใจไม่ได้อยากจะพิสูจน์ความจริงให้ชัดตาจึงไปยังข้างศาลาขุดดูทองที่ฝังไว แต่ก็หาไม่พบจึงรีบกลับมายัางเรือนของตนบอกกับชายหนุ่มว่าทองไม่มีเสียแล้วหายไปทั้งหมดเลยชายหนุ่มจึงแน่ใจว่าตนคิดไม่ผิดแน่รีบกล่าวว่าทองของท่านไม่มีใครเอาไปดอกนอกจากชะดินชั่วนั่นเพียงคนเดียวเร็วเข้าเถิดพวกเราควรรีบช่วยกันติดตามจับชะดินนั้นให้ได้ แล้วก็เร่งแกะรอยติดตามฉดินนั้นไปจนกระทั่งตามทันจับตัวไว้ได้พร้อมของกลางชดินจึงถูกทุบตีเตะต่อยเสียย่ำแย่นอนสมคลุกตินอยู่แล้วก่อนที่จะละทิ้งฉดินไปชายหนุ่มก็กาวติดเตียนทิ้งท้ายไว้ว่าวาจาของท่านช่างสละสลวยผู้จาน่านับถือน่าเชื่อถือจริงๆเจ้าทาเป็น ขัดข้องใจกับหญ้าเพียงเส้นเดียวที่ติดผมแต่กลับไม่ขัดข้องใจเลยกับทองร้อยแท่งที่ขโมยไปช่างเจ้าเล่ส์ซะจริงๆว่าพูดง่ายนะว่าชะดินวันนี้แล้วชายหนุ่มกับกระดุมพีก็เดินทางกลับพร้อมด้วยทองทั้งหมดพระาศาสดาทรงสแสดงชาดกนี้จบแล้วตัดว่าชายหนุ่มผู้เฉลียวฉลาดนั้นได้มาเป็นเรา ตถาคตในบัตรนี้สั้นมากเรื่องนี้นจบอย่างร ว, รวดเร็วที่สุดแต่ถามหน่อยว่าเราฟังชาดกเรื่องนี้เราได้อะไรบ้างนี่ที่เป็นเป้าเป็นประเด็นสำคัญในเรื่องนี้ได้เรื่องอะไรที่จะต้องระมัดระวังที่สุดหนึ่งเรื่องของความไว้วางใจแสดงว่า ต่อให้เป็นนักบวชก็นักบวชเถอะแล้วก็อ้างว่ามีศีลด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรารู้จักดีขนาดไหนแล้วคนจำนวนมากใช่ไหมที่โดนผู้ทรงศีลเนี่ยหลอกทรงศีลแบบเนี้ยนะทรงศีลแบบชดินผู้นี้นะโดนหลอกมาเยอะต่อเยอะแล้วโดนหลอกจนกระทั่งบางทีเนี่ยทรัพย์สีนก็แทบจะหมดเนื้อหมดตัว นะแล้วไม่ใช่แค่ทรัพย์สินนะ่ยหมดตัวจริงๆด้วยอ่บางทีเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเสียทั้งทรัพย์สินเสียทั้งตัวหมดเลยเรียบร้อยมีมาแล้วนะแม่แต่เนี่ยเคยมีจดหมายที่เขาร้องเรียนมาแล้วก็เขียนมาว่าเนี่ยเป็นลูกสาวนะเขียนส่งมาที่สันติโศกเราเนี่ยนะก็บอกว่าเนี่ยโอ้โหแม่เขาไป เจอแต่นั้นไปเจออะไรรู้ไหมนั้นไม่ใช่ดักบวชหรอกนะไปเจอหมอดูไปเจอหมอดูหลอกเอาหมอดูก็หลอกว่าแมมเนี่ยจะโชคดีหรือจะเคราะห์ร้ายอย่างนั้นอย่างนี้แม่ก็ไปหลงไปเชื่อเขาจนในที่สุดก็อาสอกเคาะวิธีนั้นวิธีนี้สดอดไปสะดอดมาก็นู่นยกที่ดินบ้างยกบ้านให้เขาบ้างจนไปไ ป, ไปม า, ม า, มานั่นแหละ ก็เสียเนื้อเสียตัวไปเลยโอ้โหลูกสาวก็ทุกขุ่มมากจนไม่รู้จะหาทางแก้ไม่รู้จะหาทางออกไงเตือนแม่บอกแม่แม่ก็ไม่เชื่อคือคือไม่เชื่อลูกแต่เชื่อหมอดูนี่ก็กุ้มก็เลยเขียนมาว่าคือคุยง่ายว่าก็ขอคําแนะนําจากทางเราว่าจะแนะนําเขายังไงนะพวกเราก็เขียนช่วยช่วยตอบช่วยแก้ปัญหาไปนะแต่ว่า เราก็ไม่รู้ว่าผลต่อไปเป็นยังไงเพราะว่าหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้เขียนกลับมาเราก็เลยไม่รู้ว่าผลมันจบหรือว่าลงเอยที่ตรงไหนแต่อันเนี้ยฝากบอกพวกเราว่าระวังนะเยอะแยะไปเห็นไหมคดีต่างๆที่เกี่ยวกับนักบวชนี่ก็ตามโอ้ดังๆชนิดที่เรียกว่าโอ้โหเกจิอาจารย์ดังๆด้วยนะลงข่าวหนังสือพิมพ์คึกโครมเลยไม่น้อยเลย นะแต่ตอนนี้อันนี้ตัวอย่างในที่นี้เป็นเรื่องนักบวชก็จริงแต่ไม่ใช่แค่นักบวชหรอกแม่นี่แหละนักปฏิบัติธรรมนี่แหละบางทีเนี่ยมาม า, มาปฏิบัติธรรมกับชาวโสกมีเหมือนกันนะนี่อันนี้ก็ตัวอย่างก็มีมาแล้วแมมทาเป็นอะไรนะใส่เสื้อม่อห้อมแล้วก็ใส่กางเกงขากล้วย นะพยาแหมเวลามาก็คุยแหมคุยเรื่องศีลคุยเรื่องนั่นเรื่องนี้โอ้โหคุยดีๆ่างนั้นเลยรับหลังปรากฏว่าไปจีบเขาเนี่ยจะบุกไปถึงบ้านเขาจะไปนั่นเนี่ยแหมยังมีมาเลยตัวอย่างบอกโอ้โหลายการเลือะเกินเพราะฉนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะต้องระมัดระวังด้วยผููอย่างนี้ก็เลยไม่ใช่เดี๋ยวกลายเป็น จิตหวาดระแวงกลัวอะไรไปหมดนะพูดอย่างนี้เพื่อเพื่เพื่อให้เกิดความระวังเพราะว่าบางคนเนี่ยนะมันมันศรัทธา ง, งมงายอะไม่รู้จะพูดยังไงอะศรัทธา ง, งมงายไม่มีปัญญาไม่มีการพิจารณาอะไรให้มันถูกต้องให้มันชัดเจนแลนะโดนหลอกมาเยอะและ้วนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเนี่ยประเด็นนี้นะเอาส่วนอีกประเด็นหนึ่งขาอนี้ เป็นยังไงในเรื่องนี้ฟังไปแล้วเรื่องของกระดุมพีมั่งไปงไงเอาของเนี่ยยิ่งเป็นทรัพย์สินเงินทองอะไรอย่างี้เอามาฝากกับคนอื่นเขาแต่ว่าว้ใจใช่ไหมก็เลยไปฝากกรณีนี้ก็มีปัญหามากเนี่ยเอาไปฝากเอาไปฝากเสร็จปรากฏว่าเรียบร้อยอีกของที่ฝากเขาไว้ไม่เหลือ แม้แต่ชูชกก็ตามอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตามประวัติเปไงชูชกได้นางอมิตาดามาเปไงอเอาเงินไปฝากเขาไปฝากพ่อแม่ของนางอมิตาดาฝากเสร็จฝากเสร็จพ่อแม่นางอมิตาดาเอาเงินไปใช้หมดตอนนี้พอชูชกมาทวงไม่มีให้ก็เลยยกนางอมิตาดาให้ชูชก <c oughs> เนี่ยก็ทำนองเดียวกัน จะให้เห็นเลยเพราะฉะนั้นฝากสิ่งต่างๆเหรอเนี้ก็ต้องดูต้องระมัดระวังเพราะจริงๆเนี่ยไม่ต้องไปสะสมอะไรหรอกสะสมแล้วก็ต้องมีห่วงอย่างเงี้ยจริงๆถ้ามีน้อยๆหน่อยใช่ไหมแล้วไอ้ที่มีเยอะๆนี่เป็นไงแจกจ่ายไปสิเสียสลาไปสิทําบุญทําทานไปจะได้ไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมากลัวโจรป้นไม่ต้องกลัวใครเข้ามาจี้ไม่ต้องไม่ต้องกลัวใครเข้ามาหลอก ลวงที่จะเอาทรัพย์สินเงินทองไปแล้วก็จะอยู่อย่างปลอดภัยด้วยแต่เนี่ยเนี่ยจริงๆแล้วก็เห็นไหมก็มาโดนชดินคนนี้หลอกทั้งๆ ท, ที่ตอนแรกก็อยู่กันมาดีๆอยู่นะแต่เหตุเพราะทองคำร้อยแท่งใช่ไหมมันทําให้ชดินนักบวชคนนี้ก็ยิ่งโลภเลยพอโลภครานี้ก็หลอกเลยทั้งๆ ท, ท, ท, ที่ตอนแรกก็อ่าๆก็วางมาสดีอยู่ แล้วก็ยังไม่ได้หลอกลวงอะไรแต่เห็นไหมล่ะนี่คืออีกประเด็นหนึ่งว่าคนเราเนี่ยบางทีทําดีเนี่ยนะคุณทําดีได้แค่ขีดความสามารถที่คุณทําได้ถ้าเกินเนี่ยคุยง่ายว่าเกินมรรคผลเราอะที่เราสะสมความสามารถเราเอาไว้เนี่ยถ้าเกินมรรคผลอันนี้แล้วเนี่ยเหยื่อในโลกเนี่ยจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือว่าบางทีจะเป็นกามก็จะเป็นเรื่องของผู้ชายผู้หญิง ถ้ามันเกินขีดความสามารถที่คุณฝึกฝนเอาไว้นะคุณก็สู้ไม่ไหวคุณก็จะแพ้เหมือนชะดินรูปนี้ก็ก็แพ้ถ้าเกินขีดที่ฝึกฝนไปแล้วเพรา ะ, ะนั้นถ้าชะดินคนนี้นี่ถ้าฉลาดนะโอ้พอรู้ว่าโอ้โหมาฝากท้องกับเราอย่างนี้มันเยอะแล้วเราก็จะเกิดความโลภอย่างเงี้ยที่จริงแล้วน่าจะบอกยังไงเลยนะ ปฏิเสธเลยก็ได้ใช่ไหมบอกแม่รับดูแลนะท้องต้องเยอะแยะอย่างนี้โหเสี่ยงจะตายไปปฏิเสธเลยก็ได้หรือทําไมปฏิเสธเป็นไงฮะทั้งท้ที่จริงๆในตัวเองก็พูดใช่ไหมว่าไอสิ่งเหล่านี้มันไม่เหมาะกับนักปวดใช่ไหมดูที่เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รู้นะเนี่ยรู้รู้ว่ามันเป็นอันตรายอันแสบเผ็ดรู้จท่านใช้คําว่าอะไรลาบยศสารเสริญ สุขอะไรพวกนี้เป็นอันตรายอันแสบเป็ดไม่ใช่แค่คนมีกิเลสเป็นอันตรายได้แม้พระอรหันด้วยแต่ไม่ใช่ว่าเพราะพระอรหันจะไปโลภนะไม่ใช่แต่ไอคนอื่นมันโลภนี่แหละมันจะมาเล่นงานพระอรหรัน <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปฏิเสธได้ปฏิเสธไปทำไมพระเจ้าถึงให้นักบวชเนี่ยไม่รับเงินรับทอง แล้วไม่ต้องมาใช้เงินใช้ทองก็เหตุผลเพราะว่าจะปลอดภัยด้วยแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปขี้โลภด้วยใช่ไหมเพราะว่าจะตัดเรื่องพวกนี้ออกไปเลยอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ว่าทำไมไม่ให้มีไม่ให้ใช้ไม่เพียงแต่ไม่ให้มีนะไม่ให้ใช้ด้วยเพราะนั้นแม้แต่นี่สมณะอโศก ข, ของเราเองก็ตามถ้ามีความจำเป็นบางทีเนี่ย เกิดจะต้องใช้สิ่งของนั้นใช้สิ่งของนี้เราก็ต้องไปหาดูในท้องตลาดเนี่ยสมณะอโศกเรานี่ห้ามนะห้ามที่จะไปเลือกดูแล้วก็จ่ายเองไม่ได้ใช้เงินใช้ทองเองไม่ได้ห้ามถ้าจําเป็นเนี่ยพ่อท่านก็บอกว่าเอาก็ไปดูเอาไว้ดูไว้เฉยเฉยก่อนจดมาอะไรมาเสร็จแล้วค่อยเอามาให้ญาติโยมเอาใครไปญาติโยมคนไปซื้อก็ไปซื้อมา จะไม่ใช่เราไปเที่ยวซื้อเองเนี่ยในในสนธิสัญญาของสมณะชาวโศกเนี่ยจะต้องทําถึงขนาดนี้ถึงบอกแม้แม้แต่อะไรอ่ะมีทรัพย์สมบัติใช่ไหมมีข้าวของเงินทองมีอะไรมาถ้าจะมาบวชเป็นสมณะชาวโศกเซ็นออกให้หมด <c oughs> มีมรดกมีอะไรอ่อะเบี้ยบันนานมีอะไรต่ออะไรเซ็นออกให้หมด ถ้าจําเป็นนักปวดชาวโสดมาแต่ตัวกับหัวใจพอแล้วต้องเอาอย่างนั้นเลยอย่างเงี้ยมันถึงจะตัดใจตัดใจเพราะฉะนั้นคนที่ตัดใจตัดใจได้เนี่ยนะมันก็จะเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นเพราะถ้าใครเนี่ยงองงองเงี้เงยนะใจอ่อนอ่อนไม่ค่อยกล้าตัดไม่ค่อยกล้าตัดเดี๋ยวเหะพอเจอตัวเงินมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอท่านยังบอกนะบอกว่า แสนหนึ่งเฮ้ยแสนหนึ่งไม่อยู่ในสายตาห้าแสนเอ้ยยังยังล้านหนึ่งเอชักคิดดูก่อน <c oughs> พอจากสองล้านสามล้านบางทีเนี่ยบางคนไม่ได้ขี้โลบอะไรอื่นนะขี้โลบว่าเดี๋ยวได้มาจะเอามาทำบุญ <c oughs> อย่างนี้ยังมีเลยนะขี้โลบแบบเนี้อยออ นี่นี น, นี่ยกผลประโยชน์ให้เลยนะว่าขี้โลคชนดิดที่เรียกว่าไม่คิดว่าจะเอามาใช้ให้กับตัวเองนะแต่ขี้โลคเพื่อเอามาให้คนอื่นเขาเพราะอย่างโจรบางคนเนี่ยมันเป็นโจร น, นีนะมันไปกี้ไปป้นเนี่ยบางทีไม่ใช่เพราะตัวเองนะแต่บางทีอยากจะให้ลูกเมียสบายใช่ไหมไปจี้ไปป้นเขาจี้ป้นมาได้ก็เอาเอามาให้ลูกเมียให้ มีบ้านมีช่องมีอะไรอยู่สุขสบายมีเหมือนกันโจรแบบนี้ก็มีแต่ยังไงก็เป็นโจรยังไงก็ยังไปเบียดเบียนไปทําความเดืดอดร้อนอะไรให้กับคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยขีดความสามารถของคนอันเนี้พ่อท่านจะพูดปบ่อยบอกดูดีๆนะดูดีๆนะนะถ้าตัวเงินมันเยอะขึ้นหรืออาจจะไม่ใช่เรื่องเงินทองก็ได้แต่ข้อเสนอเยอะขึ้นเยอะขึ้นเกิดมีใครเนี่ยตอนแรกอาจจะตอนแรกเราไม่สนใจอ่ะ ผู้ชายคนนี้หรือเราไม่สนใจอะผู้หญิงคนนี้แต่ปรากฏว่าแหมข้อเสนอค่อยๆเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นอ่าแหมหน้าตาก็ดีนะรวยด้วยนะพูดจาก็สุภาพอ่อนหวานดีนะโอ้โหอะไรอะข้อมูลเพิ่มเยอะเลยนะจะทนไหวหรือเปล่าจะทนไหวหรือเปล่าจะใจอ่อนไหมน่าคิดนะอันเนี้ย หลายคนบอกว่าไม่ต้องคบมากขนาดนั้นหรอก <c oughs> <c oughs> นะบางคนแค่รวยอย่างเดียวก็พร้อมจะใจอ่อนอยู่แล้วแออย่างนี้แย่น่าแสดงว่ายังติดเรื่องวัตถุอยู่มากเลยเพราะฉะนั้นอันนี้นสำหรับชาดกเรื่องเนี้ยก็อยากจะตินเตือนในหลายๆแง่มุมเพราะว่าตัวอย่างมีมาเยอะมีมาไม่น้อยเลยทั้งนักบวชก็ตามทั้งคาราก็ตามซึ่งบอกปรากฏว่า พอเจอเหตุการณ์เจอปัญหาจริงๆแล้วมันสู้ไม่ได้แลแ้วตอนนี้จะทํำยังไงให้แข็งแรงในะเรื่องนี้จริงๆตั้งชื่อว่าจะหวังอะไรจริงๆคําเนี้มันเหมือนกับพูดแบบประชดนะมันจะหวังอะไรจากนักบวชอย่างเนี้ยจะไม่หวังอะไรก็นักบวชอย่างนี้ก็ก็ต้องได้คุณภาพออกมาแค่นี้หรือแม้แต่กระดุมพีเนี่ยจะหวังอะไรยังคนอย่างกระดุมพีคนนี้ พูดง่ายว่าไม่ค่อยฉลาดเลยเา้าเขาไม่ค่อยฉลาดจะเขาก็ได้แค่นี้จะไปหวังอะไร <c oughs> ในเรื่องเนี้หวังได้อยู่คนเดียวก็คื อ, อาชายที่เป็นบัณฑิตคนนั้นนะเป็นคนเฉลียวฉลาดคนนั้นนะหวังได้อยู่คนเดียวเท่านั้นเพระนนคนเราเนี่ยบางทนะีก็ชอบคิดชอบฝันชอบหวัง นะชดินคนนี้ก็หวังว่าจะร่ำรวยด้วยทองที่ขโมยไปส่วนกุดุมพีนี้ก็หวังว่าเอาทองมาฝากไว้กับชดินแล้วจะปลอดภัยแล้วก็หวังในเรื่องเนี้ยมีแต่คนสุดท้ายเท่านั้นอะ่ะที่ไม่จะหวังอะไรแต่พอมาเห็นชดินแบบนี้มาเห็นกระดุมพีแบบนี้บอกโอ้โหนี่เสร็จแน่กระดุมพีคนนี้เพราะนั้น เป็นอะไรอ่ะมีอาชีพอะไรอ่ะคนสุดท้ายนี่นะเอาสมมุติว่าเป็นพ่อค้าก็แล้วกันก็จะเห็นว่าพ่อค้าคนนี้ปรากฏว่านี่ไม่ได้หวังอะไรเลยเพราะว่าไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยนะจากกระดุมพีก็ตามหรือจากชดินก็ตามไม่ไม่มีผลประโยชน์อะไรทั้งสิน้นนะคือเป็นผู้ที่ไม่หวังอะไรเลยอาตมาไปสัมมนาผู้ปกครองพุทธธรรมมาอาตมาก็มีพูดเรื่องของเรื่องของความหวังเนี่ย ให้พวกเขาฟังอยู่เหมือนกันบอกว่าคนเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่จะทุกเนี่ยเพราะว่าชอบไปหวังไอ้นั่นไปหวังไอ้นี่เพราะฉะั้นคนที่จริงๆเนี่ยคนที่ไม่ต้องไปหวังอะไรเนี่ยก็จะไม่ผิดหวังแต่คนที่ยังชอบหวังอะไรอยู่ในที่สุดรับรองได้ต้องผิดหวังจนได้ไม่วันใดก็ดังวันหนึ่งไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งต้องผิดหวังจนได้แล้วทุกคราวที่ผิดหวังก็ต้องทุบทุกครั้งไป เพราะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านถึงสอนว่าถ้าจะหวังอะไรเนี่ยนะท่านสอนว่าให้หวังแบบไหนอาจมาพูดบ่อยนะอันนี้ให้หวังแบบโอ้โหเรียบร้อยให้หวังแบบไม่หวังนะพุทธเจ้าถ้าจะตัดทํานองนี้ว่าให้หวังแบบไม่หวังถ้าจะพูดอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่า คือคนเราเนี่ยพอหวังปรารถนาอะไรหมายถึงว่าหวังจะมีหวังจะได้หวังจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยวังมุมเดียวพูดง่ายเอาแต่ได้หวังมุมเดีย ว, น ว, ยวในสิ่งที่ชอบแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ชอบเป็นไงนจะหวังไงหวังว่ามึงอย่ามาเลยนะ <c ười> อย่ามาให้เห็นเชอนะหรือว่าอย่ามามาให้ให้ชั้นเชือะไรอย่างเงี้ยอ ถึงบอกว่าบางคนเนี่ยเกียดนะคําว่าทุเลตบอกอย่าเช่นนะอย่ามาพูดอย่างนี้กับฉันเช่นะอันนี้คือหวังในสิ่งที่รังเกียจเนี่ยคือหวังหวังว่าอย่าเอามาให้ฉันนะมันมีอยู่สองมุมคือหวังในสิ่งที่ชอบเนี่ยหวังได้มาถ้าหวังในสิ่งที่เกลียดเนี่ยคือขอให้ไปอย่ามาแต่ไม่ว่าคุณจะหวังมุมไหนก็ตามถ้าคุณหวังแล้วเนี่ยนะคุณหวังแบบมุมใดมุมดึงเนี่ย ในที่สุดคุณต้องผิดหวังจนได้ในอีกมุมหนึ่งเพราะโดยสัจจะโดยความเป็นจริงโดยเฉพาะนเนี่ยในชีวิตคนเราจริงๆคํานี้อาตมาก็ถามพวกเราบ่อยว่าในชีวิตจริงๆของคนเราเนี่ยสมหวังมากกว่าหรือผิดหวังมากกว่าผิดหวังมันมากกว่าสมหวังคุณลองไปเช็คดูเลยก็ได้ใ น, ในชีวิตนี้นะแต่ละวันแต่ละวันคุณเช็คเลยว่าตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าคุณสมหวังสักกี่เรื่อง แล้วที่คุณผิดหวังเนี่ยคือแหมไม่เป็นไปอย่างที่คาดคิดเลยมาเจอดีก็อู้แหมอร่อยเลย <c oughs> นะสักกี่เรื่องคุณไปเทียบดูแล้วจะเห็นเลยว่าไอ้ที่ไม่สมหวังมันมากกว่าเยอะเลยเพราะนั้นใครเนี่ยที่ชอบหวังไอ้นั้นหวังไอ้นี่เนี่ยอาตมาบอกแล้วไม่ไม่ฉลาดนะใครที่ชอบไปหวังอย่างงานอย่างนี้เนี่ยไม่ฉลาดหรอกแต่บางคนก็บอกว่าแหม่ท่านท่าน ไม่หวังอะไรเลยนี่มันไม่มีชีวิตชีวาเลยนะมันจืด น, น ะ, ะหรือมันไม่ตื่นเต้นนะไม่หวังอะไรแต่อาตมาก็จะพูดว่าเอาซิถ้าคุณหวังแล้วคุณไม่กลัวทุกข์เอาสิแล้วมันทุกข์จริงๆบอกล้วเดี๋ยวต้องผิดหวังจนได้จะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวก็ผิดหวังจนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เจ้าท่านถึงสอนบอกว่าให้หวังแบบไม่หวังเนี่ยเท่ากับหมายความว่าจริงก็ยอมรับอยู่ ว่าคนเราเนี่ยบางทีมันก็มันเหมือนกับว่าแหมต้องมีเหยื่อมาล่อเหมือนกันนะคือมันถึงจะมีเรี่ยวแรง น, นะมีพลังที่จะทําก็ถูกเอาละเพราะว่าเราไม่ใช่มาปฏิบาททาัติธรรมก็เป็นพระอรหันเลยนี่ใช่ไหมมันก็จะต้องมีความหวังอยู่บ้างอะ่ะจะรีบปรีเป็นเหมือนกับไอหิ่งห้อยก็ตามแต่นะแต่มันก็มักจะหวังอะ่ะเพราะว่าอะไรหวังแล้วมันรู้สึกแหมมันมีความสุขนะ มันอยู่ข้างในแต่ถ้าใครหวังแบบนี้แล้วคุณจะต้องอีกมุมหนึ่งตามมาด้วยพระเจ้าถึงบอกว่าหวังแบบไม่หวังก็คือว่าคุณต้องคิดในมุมเสียด้วยต้องคิดในมุมเสียไว้ด้วยว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้มานะมันอาจจะต้องสูญเสียนะเพราะอย่าคิดเอาแต่ได้ถ้าในสิ่งที่เราชอบใช่ไหมอย่างเช่นนะเดินมาที่ศาลาเสร็จ นั่นตอนแรกเดินมาด้วยความสุขสดชื่นนะคาดการไปล่วงหน้าแล้วโอ้ <S <S วันนี้แหมอะไรอะ่ะชมามรอ ก, ก็แจก อ, อาหารโอ้ที่ครัวก็มีคนมาทำบุญโอ้อาหารคงจะเยอะนะคงจะมีอะไรอร่อยอร่อยหลา ย, ลายอย่างเลยนะนี่ตั้งพบมาก่อนแล้วนะเนี่ยเนแค่เนี่ยคุณเริ่มหวังมาแล้วนะแต่พอบางทีคุณมาโอ้โหไม่เห็นจะมีอะไรอร่อยสักเท่าไหร่เลย นึกว่ามีหลายอย่างแหมมีไม่กี่อย่างเองตอนนะั้นมันเริ่มผิดหวังแล้วมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วอ่าเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยอย่าไปตั้งเพราะฉนั้นจริงๆเนี่ยผู้เจ้าท่านจะสอนเนี่ยไม่ไม่ให้ไปตั้งความหวังพวกนี้ซะมากกว่าพ่อท่านเคยใช้แบบว่าเป็นคนไม่มีอนาคต น, นนะคือคืออยู่กับปัจจุบันพยายามจะให้เนี่ยคนเราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปหวังไอ้น่นหวังไอ้นี่แหละแต่ทํานี่เราก็ทําไปเรื่อย นะเราทําไปเรื่อยแต่คุณไม่ต้องโลภสิบเที่ยวไปหวังอะไรต่ออะไรบางคนเนี่ยโอ้โหหวังไกลลิฟเลยนะบางทีเขามีสำนวนอะไรนะฝันให้ไกลไปให้ถึงอะไรอย่างเงี้ยก็มีสำนวนเราก็เคยมาใช้กันนะแต่ถ้าคุณจะฝันอย่างนั้นแล้วคุณจะหวังอย่างนั้นเนี่ยคุณอย่ามุมเดียวคุณต้องคิดอีกมุมหนึ่งเผื่อไว้ถ้าใครคิดอีกมุมหนึ่งเผื่อไว้เสมอๆคนนั้นจะไม่มีคําว่า อ, อกหาก อ, อกพังเพราะ ไม่ว่าจะเกิดมุมไหนขึ้นมาคุณพอทำใจได้เพราะคุณคิดเอาไว้แล้วทั้งสองมุม